มีรอกมีแต่ปัจจัยและปัจจุบันคือมีแต่เหตุและผลมีแต่ปัจจัยและสิ่งที่เกิดจากปัจจัยเท่านั้นเองถ้าถามหาว่านายกผมใช่ไหมเป็นนายกก็ไม่ใช่ขนใช่ไหมเป็นนายกเล็บใช่ไหมฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยอนกระดูกใช่ไหมถามหายังไงก็หานายกไม่เจอรอกแต่ประชุมประชุมประชุมรวมรว ม, มกันนั่นแหละเลยเรียกว่านายกนายขอนายง นี่ที่คําว่าสัตว์ก็เหมือนกันคําว่าสัตว์ก็คือปัจจัยประชุมรวมๆนี่นแหละจึงเรียกว่าสัตว์นั่นแหละทีนี้ในสิ่งเหล่านี้ยังมาแบ่งออกเป็นสองก็ได้นะคือเป็นนามและเป็นรูปคําว่านามได้แก่สิ่งที่น้อมไปรับรู้อารมณ์ได้แก่จิตและเจตสิกรูปนี่ก็ชัดเจนได้แก่รูปได้แก่รูป28 ชีวิตก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขก็มีเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ก็มีเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาก็มีรับจะรับกลิ่นทางจมูกเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามสุขทุกข์และเฉยๆแห่งออกหรือว่ารับรูปประถักคือส่วนที่รู้อารมณ์ได้และส่วนที่รู้อารมณ์ไม่ได้เด่นะสารมณนะอนารมณะเนี่ยนะรู้อารมณ์ได้ แต่ว่าทั้งหมดก็คือสังคตะเป็นธรรมะที่ถูกปัจจัยประชมปรุงแต่งขึ้นนะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะหรือแบ่งออกเป็นสามส่วนก็ได้โลกสามคือเวทนาสามมองเห็นเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งสุขก็มีเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ก็มีเป็นที่ตั้งแห่งอุเบชาก็มีนะฟังเสียงทางหูก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขก็มีเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ก็มีเป็นที่ตั้งแห่งอุเบชาก็มีรับจะรับกลิ่นทางจมูกเนี่ยนะ เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามสุขทุกข์และเฉยเฉยหรือว่ารับรู้รสทางลิ้นก็เป็นที่รั้งแห่งสุขทุกข์และเฉยเฉยรับกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งทางกายก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์และเฉยเยนึกคิดทางใจก็รับรู้อารมณ์ต่างๆก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์และเฉยเฉยแต่สรุปแล้วก็มีสมนะสุขทุกข์และเฉยเฉยสุขทุกข์และเฉยเเนี่ยเกิดพร้อมกันไหมไม่พร้อมนะ บุคคลทั้งหลายหัวเราะกับร้องไห้พร้อมกันทีเดียวไม่ได้หัวเราะเสร็จร้องไห้ได้สลับกันได้ดีใจกับเสียใจเกิดพร้อมกันไม่ได้แต่ก็เกิดสลับกันได้ทั้ขนขณะที่ดีใจก็ไม่เสียใจและไม่เฉยขณะที่เฉยก็ไม่ดีใจและไม่เสียใจขณะที่เสียใจก็ไม่ดีใจและไม่เฉยจะมีเฉพาะเวทนาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเท่านั้นล้วนๆแค่ ด, ดูนะเราเนี่ยโอย ดูเหมือนเป็นจริงเป็นจังเป็นตุเป็นตาไปหมดนะที่จริงเวทนาก็สวัีทีละอย่างทีละอย่างเท่านั้นแหละแต่มันสำคัญมั่นหมายนะเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยเวทนามีภาษะเป็นปัจจัยนะภาษะนี้ก็คือธรรมะสามอย่างประชุมกันเรียกว่าภาษะประชุมพร้อมกันทางตาเนี่ยนะตาสีจกักรวิ ญ, ญญาณประชุมกันเรียกว่าจากักรสัมผัสเนี่ยนะนะ โอเสียงโสตะวิญญาณประชุมพร้อมการเรียกว่าโสตะสัมผัสจมูกกลิน่นแล้วก็คานาะวิญญาณเรียกว่าคานาะสัมผนะัสอย่างงี้นะสมอย่างประชุมการเรียกว่าภาษ า, าภาษาก็เลยเป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเนะเป็นทั้งอุปนิสัยปจยัจจัยเป็นทั้งอารมณปัจจัยแก่ตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานเกิดขึ้นแล้วทากรรมเลย กรรมแล้วผลของกรรมคืออะไรกรรมก็คือภพนั่นแหละผลของภพนั้นก็คือชาติชาราถ้าเกิดมาแล้วก็ชาราก็ติดตามมรณะก็ห้ำหันพญาที่ก็เบียดเบียนย่ํำยีเขา่าอันเวทนาสามก็เป็นเป็นโลกกันนะอันเวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธาคามินีปฏิปทาอยากประชุมแบบนี้ก็ได้นะหรือประชุมว่าเออ สังขารที่เกิดจากปัจจัยประชุมปรุงแต่งขึ้นเกิดจากปัจจัยอย่างเงี้ยสังขารสังขารสมุทัยสังขาร น, นิโรธสังขารหานและก็ภาษาอาหารอาหารคือภาษาอาหารคือเจตนามนโนสันเจตนาอาหารก็คือนะ้ต่อไปโลกแบ่งออกเป็นโลกสนะีโลกสี่คืออาหารสี่อาหารสี่ อาหารสี่นี้หนึ่งนะกับพลิงกระหานอาหารคือคำข้าวทั้งที่หยาบบ้างปนิดบ้างคาว่าคำข้าวในที่นี้เนี่ยรวบรวมถึงอยู่ยาทุกชนิดนะที่เรารับประทานเข้าไปที่รับตั้งแต่จากภายนอกเข้าไปเรียกว่าอาหารนะอย่าลืมนะคำว่าโลกได้แก่ร่างกายนี้ใช่มท่านอาหารสี่นี้ก็มาหล่อเลี้ยงกายอยูอ่กับพลิงกระหานแล้วก็ ภาษาาหารอาหารคือภาษะอาหารคือเจตนามโนสันเจตนาอาหารก็คือนาณาขคณิกกรรมนั่นเองแล้วก็วิญญาณอาหารกับพลิงกรหารนำมาซึ่งการมคุณห้าภาษาหารนำมาซึ่งเวทนาสา ม, มโนสันเจตนาอาหารนำมาซึ่งภพสาม วิญญาณอาหารนำมาซึ่งนามรูปนันะนะในอาหารสี่จริงก็ชีวิตของเราบริบูรณ์ไปด้วยอาหารสี่นะถ้าไม่มีอาหารอยู่ได้ไหมก็อยู่ไม่ได้นันะถ้าขาดกับพลิงกระหารรูปร่างกายก็เกิดไม่ได้ถ้าขาดภาษาอาหารเวทนาเกิดได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีมโนสันเจตนาอาหารชีวิตจะเป็นไปอยู่อย่างนี้ไหมถ้าไม่มีวิญญาณอาหารนามรูปเหล่านี้จะเป็นไปได้ไหม ก็เป็นไปไม่ได้ทีนี้โลกหคืออุปาทานขันห้าแต่จริงตามองเห็นก็มีขันห้นะหูได้ยินเสียงก็มีขันห้าจมูกลมกลิ่นก็มีขันห้ลิ้นรับรสก็มีขันห้าจมูกรับกลิ่นก็มีขันห้ากายรับกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีขันห้าใจขณะที่นึกคิดก็มีขันห้าเั้นขันห้าเกิดทั้งในทวารทั้งห อ, นนะอย่างเช่นตากับสีเป็นรูปขันจากครูวิญญาณที่เห็นสีเป็นวิญญาณขันเวทนาที่เกิดขึ้นเสวยอารมณ์เป็นเวทนาขันรู้สึกสิ่งใดก็จําสิ่งนั้นเป็นความจํานั้นเป็นสัญญาขันก็ปรุงแต่งอยู่ตรงนั้นแหละอั น, นั้นก็เป็นสังขารขันขันห้าก็เกิดขึ้นในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินแต่ที่เรียกว่าขันห้าเพราะอะไร เพราะสิ่งเหล่านี้ต่างกันโดยความเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่างละเอียดเลวปณีตไกลใกล้อติตานาคตะปัจจุบันนางอจตังวาพหิตาวาโอลาริกังวาสุขุมังวาหีนางวาปณีตังวายันทุเรวาสันติเกวาตเทกะชังอภิสันโยหิตวาอภิสังคิปิตวาอายังวุจติ รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันนี่นะก่อนเลยนะเรียกว่ารู ป, ปขันเวทนาขันเป็นต้นก็คือจำแนกแจแจนชีวิตมองชีวิตโดยเง่มุ ม, มต่างๆนั่นเองเอาชีวิตมาวิจัยนะันพระองค์นี้ตรัสรุโลกคือขันห้าอย่างแจมแจ้งใช่ไหมฮันอุปาทานขันห้าก็สงเคราะห์ลงอ่าอุปาทานขันปทา วิญญาณอาขันว ik mm ิญญาณอขันสมุทัยวิญญาณอาขันนิโรธวิญญาณขันนิโรธคาเมนีปฏิปทาอันพระองค์นี้ทรงรู้ทุกนะทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขานิโรธคาเมนีปฏิปทาหรือรูปปัจขันเนี่ยรูปปัจขันสมุทัยรูปปัจขันนิโรทรูปปัจขันนิโรธคาเมนีปฏิปทาเวทนาขันเวทนาขันนิโรธเวทนาขันเวทนาขันสมุทัยเวทนาขันนิโรธเวทนาขันนิโรธคามินีปฏิปทา สัญญาขันสัญญาขันสมุทัยสัญญาขันนิโรธสัญญาขันนิโรธคามินีปฏิปทาสังขารขันสังขารขันสมุทัยสังขารขันนิโรธสังขารขันนิโรธคามินีปฏิปทาวิญญาณขันวิญญาณขันสมุทัยวิญญาณขันนิโรธวิญญาณขันนิโรธคามินีปฏิปทาอันพระองค์ได้ทรงรู้แจ้งขันเหล่านี้อย่างตรุโปรงหมดเลยนะ พงจึงพ้นจากอุปาทานขันเหล่านี้ได้พระองษ์ไม่ยึดถือในขันเหล่านี้คําว่ายึดเป็นยังไงอ่าไม่ยึดถืออุปาทานขันห้าเอางี้นะร่างกายของเราเป็นอุปาทานขันห้าไหมน้ําเนืองในอุปาทานขันห้าไหมเป็นเอ้าถ้าไม่ยึดถือในอุปาทานขันห้าเป็นไงไม่อาบน้ําเลยใช่ไหมอ้าวจะได้ไม่ยึดเนี่ยเรียกว่าคนไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางหมดเลยน้ําก็ไม่อาบผ้าก no ็ไม่ซ <im> ักข้าวก็ไม่กินนอนอย่างเดียว อันนี้ชื่อว่าไม่ยึดหรือเปล่านี่แหละมหายึดเลยนะยิ่งแบกยิ่งถือยิ่งยึดยิ่ ง, งเขาบอกว่าถ้าไม่ยึดเป็นยังไงก็คือปฏิบัติตามหลักสรีระนั่นแหละเขาควรจะเป็นยังไงก็รักษาไปตามนั้นเพราะฉะนั้นไม่ยึดไม่ถือเลยศีเลยไม่รักษาเลยอะไรก็ไม่เอาสักอย่างอันนั้นอันนั้นนันหนักไปทางยึดนะ น, นะนั่นเป็นทิฏฐุปาทานนะ่ยึดอย่างหนึ่งคาว่ายึดนี้เป็นชื่อของ อุปาทานก็คือไม่มีอุปาทานในขันธ์ทั้งหวิจัยขันธ์ทั้งห้าอย่างละเอียดละอทีท่วนไม่ใช่มายึดถือบุญก็ไม่ทาแลยอกุศลเกิดลว้วนๆอ่ะนีแล้วเลิกยึดถือแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคําว่าไม่ยึดไม่ถือก็คือไม่มีอุปาทานคือกามุปาทานทิฏฐปาทานศีและพุตุปาทานและอัตวาทุปาทานในขันธ์แต่ละอย่างในขันธ์แต่ละอย่าง มีโยมบางท่านเอกว่ศึกษาของอาจารย์สมบัตินี่มันเยอะเหลือกเกินครับว่ามันยากเลือกมาศึกษาเลยปฏิบัติตามไม่ถูกแล้วก็บอกว่าท่านมีข้อปฏิบัติอะไรก็บอกมาอันหนึ่งให้มันชัดๆไปเลยก็ัว่างั้นหพระพุทธเจ้ายังไม่ทําอย่างนั้นเลยจะให้เราเป็นพระพุทธเจ้าเราไปทําได้ยังไงเนาะก็บอกถ้าเอางี้ดิหมอเนี่ยนะถ้าเก่งทําไมไม่ทํายามาแค่ขนาดเดียวใช่ไหม น่าจะผลิตยามาแคปซูลเดียวเลยนะกินแล้วหายสารพัดโรคไอ้โรคที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดไอ้โรคที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไอ้ที่กําลังไข้ก็ชงัดนักแลเออถ้าเก่งจริงๆก็น่าจะผลิตมาสักเม็ดหนึ่งๆเม็ดเดียวก็พอนะทําได้ไหมนะหมอทําไม่ได้หมอที่เก่งๆก็คือรักษาโรคไปตามอาการไอ้โรคเป็นขั้นนี้แล้วควรกินยาระดับนี้เท่านี้นะอันนั้นเรียกว่าหมอเก่งจริๆๆงๆเหมงอนกันเดี๋ พวกนั้นะปวดท้องกินพาราปวดหัวกินยาอะไรก็ไม่รู้คนละเรื่องคนละ ร, ราวกันไปเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉั้นพระธรรมคําสอนก็นลักษณะ น, นั้นแหละเพราะเราต้องศึกษาเรียนรู้ให้ละเอียดเอาทีนี้ก็บอกว่าโอ้อยากจะฟังสูตรเดียวให้มันง่ายไปเลยอย่างไรต้องแนะนําอย่างแน่ฟังพระธรรมอย่างไรเขาจึงจกพ้นจากทุกข์ได้พระองค์ก็ทรงจําแนกแจกแจงตามนั้นแหละเหมือนหมอผู้ฉลาด วางยาไปตามสมุดฐานของโรควางยาไปตามโรคเอายาแก้ไข่มากินย า, ามากินปนกับยาแก้ปวดขามเป็นไปได้ไหมคนละโรคกันเลยนะปวดหัวก็ปวดท้องคนละโรคเลยนะปวดท้องกินผาราปวดหัวกินยาอะไรก็ไม่รู้คนละเรื่องคนละราวกันไปเลยมันเป็นไปไม่ได้งนั้นพระธรรมคำสอนก็นลักษณะน้ำแล พันแกเราต้องศึกษาเรียนรู้ให้ละเอียดเอาที่นี้ก็บอกว่าโอ้อยากจะฟังสูตรเดียวให้มันง่ายไปเลยอ่ะถามว่าแน่ใจในคนแนะนําขนาดไหนถึงกับไปปล่อยเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตให้เขาไปเลยอ่ะให้เขาแนะนําสูตรใดสูตรหนึ่งให้เราแล้วเราเอาไปทําตามเอาเป็นเอาตายเราแน่ใจในคนแนะนําขนาดไหนถ้าหากว่าเราแน่ใจจริงๆอ่ะเขาเป็นใคร ขนาดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนพระธรรมคําคสอนนี่นะแปดหมื่นสพันโดยธรรมขันตามสมควรแก่อัธยาศัยแห่งเวเนยศัสตร์ทั้งหลายพระธรรมคําคสอนทั้ง 84%, ดหมพันเป็นสารณะของเราเป็นที่พึ่งของเราส่วนไหนที่เราศึกษาและปฏิบัติตามได้ก็ศึกษาและปฏิบัติตามไปส่วนไหนที่ปฏิบัติตามไม่ได้ก็หนึ่งในสารณะของเราใช่ไหม เราก็นัดถือคำสอนเหล่านี้เป็นที่พึ่งอยู่แล้วปฏิบัติตามไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนใช่ไหมแต่ก็มีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามมันโบราณเขาบอกว่าจะขอประพฤติปฏิบัติตามตามสติตามกาลังตามปัญญาถ้ามีศรัทธา ม, มากก็ปฏิบัติตามได้มากถ้ามีศรัทธาน้อยก็ปฏิบัติตามได้น้อยจะขอปฏิบัติตามสติกําลังและปัญญาโลกคืออุปาทานขันห่านะ ถ้าเรารู้ขันห้าจริงๆเนี่ยรู้แค่ไหนจึงจะเชื่อว่ารู้ขันห้าขันห้าเป็นยังไงขันห้านี้ทุกไหมอ่าขันห้าเป็นทุกถามว่าขันห้าทุกยังไงอ๋อว่าขันห้าเป็นไปกับชาติทุกเป็นไปกับชะ า, าทุกเป็นไปกับพญาที่ทุกเป็นไปกับมรณะทุกขเป็นไปกับโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตทุก อาศัยขันห้านี่แหละนะทําให้ต้องพลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักสายขันห่านี่แหละทําให้ประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักอาศัยขันห่านี่แหละทําให้ไม่สมหวังไม่สมความปรารถนาคิดแล้วไม่เหมือนอย่างที่คิดรู้อริยสัจน ะ, ะการรู้อริยสัจ ร, รู้กิยะหนึ่งสุตตะพุทธนะรู้ด้วยการฟังทบทวนหน่อยนะสองรู้ด้วยสองสาว ก, กพุทธ รู้ด้วยตรัสคือโมหะเป็นต้นก็แผดเผาอยู่นั้นแหละันถ้ารู้จักขันห้าจริงๆก็ต้องรู้จักสมุทัยของขันห้ารู้จักความดับขันห้าและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับขันห้าอย่าลืมนะศึกษาพุทธศาสน า, าพุทธแปลว่าผู้รู้นะอ่ะพุทธเจ้าเนี่ยพรุทธเจ้าพุทธะผู้รู้ใช่ไหมบอกท่านรู้อะไรจรึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้อะไรเนะ ผูธท่านี้รู้อะไรรู้อริยสัจนะการรู้อริยสัจรู้กิจยากเนินสุตตะพุทธานะรู้ด้วยการฟังทบทวนหน่อยนะสองรู้ด้วยสองสาวกผู้ท่านรู้ด้วยตรัสรู้ตามเป็นสาวกสามปเจกู้ท่านรู้ด้วยตัวเองแต่ก็รู้เฉพาะตัวไม่สามารถแนะนําผู้อื่นได้แล้วก็รู้แบบสัมมาสัมผัส รู้แจมแจ้งแล้วประกาศแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยทําให้เตือนจำแนกทําให้เวนยศัสตร์ได้ตรัสรู้ตางนี่นะพันพระธรรมแต่ละอย่างถ้าศึกษาละเอียดละ อ, อีทีท่วนก็ต้องประชุมลงอริยศาสตร์ได้ถ้าประชุมลงอริยศาสตร์ยังไม่ได้แสดงว่าเราเข้าใจในเรื่องนั้นอ่อนมากทีนี้ต่อไปอีกว่าพระ อ, องคทรงตรัสรู้โลกหก โลกหคืออายตนะภายในหอายตนะภายในหคือตาหูจมูกิ้นกายและใจนี่เป็นโลกเลยนะโลกคือตาคำว่าโลกเพาอะไรนะคำว่าโลกเพราะถูกปัจจัยปรุงแต่งและเพราะถูกทําลายย่อยยับไปเป็นสิ่งที่ทําลายย่อยยับไปข้างล่างสุดนั่นแหละคำว่าโลกะนะ ถูกปัจจัยปรุงแต่งและถูกทำลายย่อยยับไปจึงชื่อว่าโลกเพราะฉะนั้นตานี้เป็นธรรมชาติที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งและถูกทำลายย่อยยับไปมีใครตาใครถาวรมั้งเนี่ยนะพันตานี้ก็ถ้ารู้จักตาจริงๆเนี่ยนะเรียกว่าจักขูใช่ั้ยจักขูจักขูสมุทัยจักขูนิโรธและจักขูนิโรธาคามินีปฏิปทา โลกคือหูหูก็เป็นธรรมชาติที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นนะเรียนอริธรรมมาแล้วหูมีกี่รูปในหูของเราเลยนะหูหูหูทั้งหมดมีกี่รูปจำเน็ตเป็นไงจำไม่ได้แล้วก็ในสัมภาระโสตะเนี่ยนะหูทั้งหูทั้งหูเลยนะมีกี่รูปห้าสิบสี่รูปนะอาจารย์สมบูรณ์อธิบายนีย่เป็นไง เราจะให้อาจารย์แนะนำอ๋อโอ้โหอันน่ะหนึ่โโซตัทธสกะมี10รูป 2. ภาวะทัศกะมี10รูป 3. กายทัศกะ10รูป30มสิบเลยนะไม่อยากไม่อยากต่อไปอีกอาหารอีก8เอ่อจิตอีก8อุตุอีก8 8นะแสามบวกกับสาเป็นโอไทยโซตะนิโรธและโซตะนิโรธาคามไมีปฏิปทาถ้ารู้จักหูจริงๆนะจะต้องรู้จักเหตุเกิดของหูความดับของหูอสาศาธะของหูและอาธีนวะนิสรณะอุบายเป็นสมุดฐานที่เป็นเหตุให้หูเกิดแล้วก็กาจิตอุตุอาหารยน่อนะยอ่อๆสรุปสร บ, สร บ, สรบหูทั้งลูกนั่นแหละ หูทั้งหูสัมภาระโสตะแต่เฉพาะโสตะระสาทาเกิดจากกรรมอย่างเดียวเนี่ยนะเกิดจากกรรมคือความใสของมหาภูต ร, รูปชนิดหนึ่งซึ่งสามารถรับกระทบเสียงได้ซึ่งศัธรตันหาในอดีตเป็นตัวสร้างสรรค์ปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะถ้ารู้โสตะจริงๆก็ต้องรู้จากโสตะสมุทัยโสตะนิโรธและโสตะนิโรธคามนีปฏิปทา ถ้ารู้จากหูจริงๆนะจะต้องรู้จักเหตุเกิดของหูความดับของหูอสาธาของหูและอาทีนวะนิสรณะอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากหูเหล่านี้จึงจะชื่อว่ารู้หูจริงๆรู้จักคานะจมูกนะนะคานะจมูกนี่มีรูปอยู่5้าบสรูปเหมือนกันนะคานะทัศกะภาวะทะะัศกากายะทัศกะอาหารมินิโพกโรคจิตตาวินิโพกรโป ร, กรป อุตอวินิโภคุรปก็คือ54รูปเกิดจากสมุธฐานทั้ง4เนี่ยนะอาศัยปัจจัยปรุงแต่งขึ้นนะสมุธฐานหรือปัจจัยที่ทำให้จมูกเกิดนั่นแหละเรียกว่าสมุทัยนะคานะสมุทัยคานะนิโรธและคานะนิโรธค า, ามินีปฏิปทาชิวหาก็เหมือนกันนะชิวหาก็มี54รูปกายมี กายนี้จะต้องดูว่ากายส่วนไหนด้วยกายที่เกิดร่วมกับลู ก, กตาก็มี54รูปกายที่อยู่ส่วนจมูกก็มี54าสกายที่แผ่นลิ้นเนี่ยนะก็มี54อยู่ในช่องหูก็มี54แต่ที่เหลือจากนั้นก็มี44รูปเห็นไหมถ้าใจอ่ะใจเนี่ยหัตยะตัวหัยะวัถุ